เวลาฟังธรรมะของที่อ่หลวงพ่อให้อ่ะค่ะมันอืมมันน่ามันไม่เห็นตัววุ่นวายอ่ะค่ะมันเราบอกแล้วไมีเตัววุ่นวายที่มันพูดได้บนน่นได้วุ่นวายในใจไม่เห็นแล้วไมเห็นอะไรเอ่เห็นอะไรอ่ะไม่เห็นตัววุนวายหเห็นอะไรเห็นว่าตัวเองเห็นอะไ ร, ไรไเห็เหแต่ลูกตาหรือว่าได้ยินแต่เสียงลูกตา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 ทั้งวันหนูรู้สึกว่างานมันวุ่นวายตอนนี้พอมาหาลงตาอยู่นั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยหนูบอกว่าไม่วุ่นวาย ก, ก็มีสมาธิคิดพิจารณาทำตามที่หลวงตาพูดอยู่แต่จริงๆเนี่ยหนูไม่ว่างจากงานเลยหนูเนี่ยตอนทํางานทั้งโลกหนูทำงานทั้งโลกม่หยุดหนูไม่อยู่ตอนนาลงตาหนูทํางานทางธรรมไม่หยุด หนูไม่หยุดไม่เคยหยุดทำงานทางธรรมเลยตัวลงก็คือไม่ไม่เคยหยุดการทํางานเลยตอนไปอยู่ในโลกหนูก็ทํางานเจนหนูต้องเป็นเครียดแล้วก็เป็นทุกข์แต่ตอนเนี้ยหนูไม่มาอยู่กับหน้าดงตาหนูก็ทํางานทางธรรมไม่หยุดทํางธรรมไม่หยุดเลยหนูก็เอาโตหนูไปคิดวิเคราะห์ตามที่ดวงตาพูดแล้ว่าหนูเป็นสมาธิอยู่กับการคิดทําแล้วหนูไม่รู้สึกว่าหนูวุ่นวายแต่จริงๆอะ เล่นแนววุ่นวายกับการทํางานทางธรรมหูยังไม่เคยใจว่างจากงานเลยตอนนี้เอาใหม่ที่ลองทีถึงที่หนูไม่เคยเจออีกหน้ามันจะเกิดขึ้นลองว่างงานทีให้ใจมันว่างงานว่างจากงานทางโลกและว่างจากการทํางานทางธรรมว่างจากการคิดวิเคราะห์ทําตามเลิงตาพูดปัะจุหน้าปัจจุบันนี้เลยให้ใจว่างงานว่างจากงานที่ยุ่งวุ่นวาย เรื่องงานทังโลกคิดเรื่องวุ่นวายทั้งโลกจนปวดหัวหนูก็คิดมามากแะและ้วโดยโยงมาคิดทางธรรมใหม่อย่าคิดวุ่นวายเกี่ยวเรื่องธรรมเรื่องวิเคราะห์ลืมาตาพูดวไปยังไงพยายามจะทําความเข้ า, ขาใจตามไปหนูวางงานนี้ทั้งหมดเลยปลดเกษียณทางใจปลดเกษียณทางใจเดี๋ยนี้ยปลดเกษียณทางใจให้ใจปลดเกษียณจากงานทั้งโลกและงานทางธรรมในปัจจุบันนี้เลยเลิกทํางานทางธรรมเลิกคิดเลิกวิเคราะห์เลิก ว, เลกวิจยัยเลิกวิจารณ์เลิก ทบทวนเลิกทำความเข้าใจเรื่องเรื่องทางธรรมเดีย๋ยวนี้ให้ใจมันว่างจากงานบ้างดิทั้งชีวิตไม่เคยว่างจากงานเลยเลิกยุ่งกับงานทางโลกก็มาทํางานทางธรรมยุ่งวุน่นวายวิเคราะห์วิจาร์วิจัยวิเคราะห์คิดพิจารณาตามเนี่ยแม้แต่มาอยู่กับลุงตาแล้วเนี่ยลุงตาก็พูดให้ปล่อยวางปล่อยวางแต่เราเอากลับเอาตัวเราไปทํางานคิดพิจารณาอยู่เราบอกว่าเป็นสมาธิมากเลยมันรู้สึกว่าไม่ยุ่งวุ่นวายแต่เราดูที่เนี่ยเราไม่เคยหยุดเลยไม่เยหยุดการทํางานเลย ตอนเราหยุดหยุดการทำงานสิเดี๋ยวนี้ยแล้วหนูจะพบอีกอย่างนึงว่าเอ๊ะมันมีหน้านี้ด้วยเหรอเราไม่เคยเจอทั้งชีวิตหน้าที่ใจไม่วุ่นวายในเรื่องโลกและไม่วุ่นวายในเรื่องธรรมอีกต่อไปเราไม่เคยเจออันนั้นแน่หนูบอกว่าเป็นสมาธิแต่จริงๆเป็นสมาธิในการทํางานนะเป็นสมาธิในการทํางานเรื่องโลกตกโลกกับเป็นสมาธิในการทํางานเรื่องการคิดคน้นธรรมก็เป็นเรื่องโลก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 ผู้เจ้าตัดวสังขารทั้งมวลเป็นโลกธรรมเทนั้นเนี่ยคือใจสิ้นความปรุงแตง่งจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมใจที่สิ้นปรุงแตง่งลูกตามหาบัวมีคําสอนอยู่บทหนึ่งจิตว่างงานนิพพานคือใจว่างงานหรือจิตว่างงานปมดกเกษียณทางใจนี่คือธรรมแท้ที่หนูบอกว่าเป็นสมาธิอันแน่แ น, น่ไม่ใช่สมาธิ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 เพื่อทำงานเพื่อใจการทำงานทางโลกสมาธิเพื่อใจการใช้คิดค้นทงรรังทำกับสมาธิเพื่อความทิ้นความปลุกแต่งปัญญาเพื่อใช้ปัญญาทำงานในทางโลกาหาอยู่หากินเรียนรู้ทำความเข้าใจสังเกตสังกาจดจําวิเคราะห์วิจารณวิจัยยิ่งเป็นคนฉลาดเห น, นือคนแต่ปัญญาในการคิดค้นทำฉลาดมากพูดได้มากทำความเข้าใจได้มากอ่านมากฟังมากวิเคราะห์วิจารณวิจัย จะจําได้มากจึงฉลาดแลี๋วคนพูดได้มากแต่นั่นคือเป็นปัญญาในทางโลกจะจําได้มากพูดได้มากเราก็จะได้มากแต่ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมคือสิ้นความหลงสังขารทั้งมวลพาตนในพ้นจากสังขารทั้งมวลพ้นจากความปรุงแต่งทั้งมวลสิ้นความหลงปรุงแตง่งแล้วก็พอสิ้นความหลงปรุงแต่งอ่ะก็จะเป็นธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริง ทีระปูมั่นผลิตะโตพ่อแม่ครูอาจาร ย, าย์ใหญ่เขียนไว้ในขันทวิมุตสมมาคีธรร ม, มาว่าสิ้นสังขารก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวจริงคื อ, อเป็นติสมาธิปัญญาที่ในทางธรรมคือพาตนให้พนทุกข์พนจากสังขารทั้งมวลก็พ้นทุกข์ธรรมมีแค่นี้แนะใจที่สิณติดสิ้นสังขาร ก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวีเวจริง์ชีวิตท่านชีวิตเนี่ยมีแต่สังขารสังขารสังขารปรุงแต่งคิดปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารวิจัยทั้งโลกเนี่ยก็ต้องการสังขารปรุงแต่งคิดวิจัย ใ, ใ, ใ, ใจทั้งธรรมไม่หยุดเลยทั้ชีวิตไม่เคยหยุดเลยไม่เคยว่างงานนี้เลยงานทังโลกงานวิเคราะห์ทั้งโลกงานวิเคราะห์ทั้งธรรมไม่เคยหยุดมานั่งประนานตั้งแต่ตั้งแต่จ้าวมาันลงในใจนะไม่เคยหยุดเลย ว่าไม่สำงานทั้งโลกแล้วแต่มาตั่งหน้าตั้งตาเนี่ยทํางานทา้งทับไม่หยุดวิเคราะห์วิจารวิจัยทบทวนตามทจิตตุลาพูดไม่หยุดกลับมาทํางานทา้งทงับอลยไม่เคยว่างงานเลยยังไงใจที่มันว่างงานแล้วมันดีกว่ามไหมันมัน ไ, ไม่มีความคาดหวังหนะคะเราจะเห็นว่าใ น, นนั้นไม่มีสมมุติบัญญัติไม่มีคําสอนใดๆเลย ไม่มีภาษาสมมติปัญญิทั้งภาษาโลกและภาษาธรรมไม่มีในนั้นไม่มีพระคัมภีร์ใจที่สิ้นความปรุงแต่งไม่มีพระคัมภีรไม่มีสมมติปัญญาอะไรเลยแต่มันรู้ได้ด้ใจใครเป็นคนรู้ห่ะก็ใจายของตัวเองอรู้ใจของตัวเองเรียกว่าตัดจัดตังใจที่สิ้นความปรุงแต่งอะเป็นสุขในโลกเป็นความสงบในโลก เนือกับความปรุงแต่งที่ทําให้เกิดความสุขความสงบในขั้นของสมถะสมทารใจที่สิ้นความปรุงแต่งเนี่ยจึงเรียกว่าวิปัสสนาเป็นความสงบในขั้นวิปัสสนาญาณความสิ้นความปรุงแต่งสิ้นความปรุงแต่งก็สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสเพราะฉนนั้นไม่มีสมมติอะไรเลยมันเป็นตัวของตัวมันโดยที่ไม่ต้องมีใครมายึดถือตัวมันอีก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 หรือว่าชาติดั้งเดินแ ต, แต้เขาเองที่เป็นธรรมาชาติที่ไม่ปรุงแต่งและเป็นธรรมาชาติที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์ไม่มีสมมติบัญญตัติไม่มีพระคำพีรอะไรในนั้นเลยไม่มีภาษาโลกภา ษ, าษาธรรมมันเี่แต่รู้ได้ด้วยใจของเจ้าของ